วันนี้เป็นวันพระวันชำระจิตใจให้สะอาด จ, จิตใจเหมือนกับเสื้อผ้าที่หลังจากได้สวมใส่แล้วก็จะสกปรกไปด้วยคราบสกปรกต่างๆถ้าไม่เอาเสื้อผ้าไปซักไปพอกไปทำความสะอาด เสื้อผ้าก็จะไม่น่าสวมใส่ใจก็เหมือนกันใจที่ไม่ได้รับการซักพอกอยู่เรื่อยๆก็เป็นใจที่มีคาบโสกปรกคือมีความมีกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆทำให้จิตใจเศร้าโศกเสียใจ ไม่สบายอกไม่สบายใจไม่สดชื่นไม่เบิกบานใจใจถ้าได้รับการชำระสักพอกอยู่เรื่อยใจจะมีความสุขมีความชื่นชื่นใจมีความเบิกบานใจใจถ้าได้รับการซักพอก มากเท่าไหร่ยิ่งนาความสุขมาให้แก่ใจมากเท่านั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถให้ความสุขกับใจได้ต่อให้มีเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านใจถ้าไม่ได้รับการซักพอกก็จะไม่มีความสุขความสุขที่ได้จากเงินหมื่นล้านแสนล้านเป็นความสุข เดีย ว, เ, ยวเป็นความสุขที่ไม่จีรังไม่ต่อเนื่องคนที่มีเงินทองร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนี่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีความเศร้าเขามีความเศร้าดีไม่ดีอาจจะมีความเศร้าโศกเสียใจไม่สบายใจมากยิ่งกว่าคนที่ยากจน แต่เป็นคนที่คอยซักพอกจิตใจอยู่เรื่อยๆสิ่งที่จะมาสักพอกจิตใจให้สะอาดให้มีความสุขก็คือการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองถ้าเราเข้าวัดเราก็จะได้มา ได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าพอเราได้ยินได้ฟังแล้วถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมีความปรารถนาที่ให้ใจของเรามีความสุขเราก็จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติพอเราได้ปฏิบัติ เราก็จะได้เริ่มซักฟอกจิตใจของเราให้มีความสะอาดเพิ่มขึ้นไปไเรื่อยๆจิตใจที่มีความสะอาดก็จะปราศจากความเศร้าหมองจิตใจที่ไม่ได้รับการชำระซักฟอกให้สะอาดก็จะมีความเศร้าหมองคอยหุ้มห่อจิตใจทําให้ไม่มีความสุข ถึงแม้จะมีอะไรมากมายกายกองก็ตามมีทรัพย์มีสมบัติมีฐานะสูงส่งมีผู้คนคอยให้การสรรเสริญเยืนยอยกย่องแต่ถ้าใจไม่ได้รับการชำระใจก็จะยังมีความเศร้าหมองอยู่มีความไม่สบายใจอยู่ ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้ใจของเรามีความสุขเราต้องควรเข้าวัดกันอยู่เรื่อยๆเพราะวันนี้เป็นเหมือนที่ซักพอกจิตใจนั่นเองที่วัดจะมีคำสอนของพระพุทธเจ้ามีสถานที่ที่จะให้ได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเลยทรงกําหนดวันพระขึ้นมาเพราะถ้าไม่ได้กําหนดวันพระให้ญาติโยมเข้าวัดญาติโยมก็จะไม่ได้เข้ากันญาติโยมก็จะมัวหลงไปกับการหาความสุขทางร่างกายหาความสุขจากทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ ที่เปรียบเป็นเหมือนกับความสุขที่ได้จากยาเสพติดนะยาเสพติดนี้ถึงแม้จะให้ความสุขแก่ผู้เสพแต่ก็จะให้ความทุกข์กับผู้เสพเช่นเดียวกันนะเวลาที่อยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพเวลานั้นจะเป็นเวลาที่ผู้เสพจะรู้สึกทรมานใจนะ ความสุขต่างๆที่เราได้จากทางโลกทางร่างกายนี้เวลาใดที่เราไม่ได้เวลานั้นเราจะรู้สึกหงดหงิดําคาญใจไม่ค่อยมีความสุขใจเพราะว่าความสุขที่เราเคยได้นล้วมันหมดเราต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆเช่นการไปเที่ยวเพื่อหาความสุขเนี่ย เวลาเราไปเที่ยวเราก็มีความสุขกันแต่พอเรากลับบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็จะจางหายไปอยู่บ้านได้ไม่นานก็เบื่อหงุดหงิดนำขาดใจต้องอยากออกจากบ้านไปเที่ยวอีกถึงจะมีความสุขนี่นี่แหละคือความสุขแบบยาเสพติดยาเสพติดเวลาเสพกันก็มีความสุขกัน พอเวลาไม่ได้เสพเวลาไม่มียาให้เสพเนะี่ยเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกขทรมานใจ น, นี่คือความสุขที่ญาติโยมที่ไม่ได้รู้จักคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจะโมเสพกันจะโมหากันจะโมหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย โดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นการเสพยาเสพติดนะเพราะเวลาที่ไม่ได้เสพเวลานั้นถึงจะรู้สึกตัวว่าไม่สบายใจเลยเศร้าใจเสียใจเช่นคนที่มีแฟนเวลามีแฟนอยู่กับแฟนนีมีความสุขเหลือกนแต่พอเวลาใดที่ไม่ได้อยู่กับแฟนเวลานั้นความสุขมันก็จะหายไป แล้วความว้าความว้าเหวความเหงาความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่นี่แหละคือความสุขต่างๆที่เสพกันในโลกนี้คนที่ไม่รู้จักคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมัวแต่หาความสุขจากการเสพยาเสพติดนั่นเอง ยาเสพติดที่พูดนี้ก็คือลาบยศศรเสริญนรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เสพกันอยู่เป็นประจำทุกวันที่ไปทำมาหากินก็เพื่อที่จะไปหาลาบยศ ส, สรัสรเสนหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะการจํามีความสุขจากสิ่งต่างๆได้จําเป็นจะต้องมีเงินทองๆๆ ยิงต้องไปหาเงินหาทองทำงานกันเป็นตัวเป็นเกลียวพอได้เงินมาก็ดีใจได้ไปซื้อข้าวของที่อยากจะซื้อได้ไปเที่ยวได้ตามสถานที่ที่อยากจะไปได้ไปดูมอหอรสพ บ, บันเทงิงอะไรต่างๆไปช้อปปิง้งตามศูนย์การค้าต่างๆนี่แหละคือการหาความสุข ของผู้ที่ไม่ได้เข้าวัดกันจะหาความสุขแบบยาเสกติดแล้วหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องหาเพิ่มอยู่เรื่อยๆและเวลาที่ไม่สามารถที่จะหาได้ก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความหงุเหงิดดำคาญใจการหาความสุขแบบนี้ ต่อไปจะทำให้ทุกข์มากขึ้นหมดจิตมากขึ้นเพราะว่าความสามารถของร่างกายที่จะหาความสุขต่างๆนี้จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆร่างกายจะแก่ขึ้นจะมีอายุมากขึ้นจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากขึ้นจะทำให้การที่จะไปหาราบยศสรรเสริญ หารวบเสียงเกลดนรดต่างๆมาเสพมาสัมผัสนี้จะยากขึ้นจะลำบากขึ้นหรือถ้าเกิดมีอุบัติเหตุพิกลพิการไปอันนี้ก็จะยิ่งทำให้มีความทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้นไปถ้าเป็นอมภพอมภาตไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเอง จะไปไหนมาไหนก็ต้องคอยรอให้คนเขามาช่วยพาไปแล้วจะไปหาความสุขแบบตอนที่แข็งแรงก็ไม่สามารถทำได้นี่แหละคือความสุขของคนที่ไม่เข้าวัดกันจะต้องในที่สุดก็จะต้องพบกับความทุกข์ต่างๆในบ้านปลายของชีวิต พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนพุทธศาสนิกชนให้เข้ามาหาความสุขที่วัดกันมาหาความสุขด้วยการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจยิ่งสะอาดเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นความสุขของใจนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดหรือไม่สะอาดของใจถ้าทาให้สะอาด ใจก็จะมีความสุขถ้าไม่ทําให้สะอาดใจก็จะมีความทุกข์มีความไม่สบายใจนี่คือนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกําหนดวันพระขึ้นมาวันพระคือวันหยุดทํางานในสมัยโบราณชาวพุทธชาวไทยเราจะถือวันพระเป็นวันหยุดทํางานกัน ไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์สมัยโบราณชาวไทยชาวพุทธเราจึงมีโอกาสเข้าวัดได้บ่อยมากกว่าชาวไทยชาวพุทธในสมัยปัจจุบันเพราะว่าในสมัยปัจจุบันวันหยุดไม่ได้ตรงกับวันพระเสียแล้ววันหยุดไปตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนวันพระก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตารางของ การโคจรของดวงจันทร์ตามวันขึ้นแรมวันเต็มดวงวันดับของดวงจันทร์วันกึง่งวันครึ่งของดวงจันทร์ก็จะไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เช่นวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารญาติโยมที่ทํางานก็ไม่สามารถที่จะเข้าวัดเพื่อสักพอกจิตใจได้ พอต้องไปทำงานทำการกันพอถึงวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดทำงานก็ไม่ได้เข้าวัดอีกเพราะว่าไม่ได้เป็นวันพระอันนี้ต้องปรับความเข้าใจใหม่ว่าวันพระคือวันหยุดทำงานไม่ใช่วันที่เขากำหนดไว้ในปฏิทินเราต้องดูวันที่เราหยุดทำงาน พราวันที่เราหยุดทำงานเป็นเวลาเป็นวันที่เราจะมีเวลาว่างนั่นเองมีเวลาว่างที่จะเข้าวัดได้เข้ามาสักพอกจิตใจได้แล้วทางวัดก็ต้องปรับเหมือนกันเพราะวัดบางวัดนี้จะไม่มีกิจกรรมซักพอกจิตใจในวันวันเสาร์วันอาทิตย์กันวัดส่วนใหญ่นี้จะมีกิจกรรมเฉพาะวันพระ วันทีอ่อย่างวันนี้ถ้าไปวัดจะมีกิจกรรมซัก พ, พอกจิตใจคือมีการทำบุญทำทานมีการรักษาศีลศีลห้าศีลแปดมีการไหว้พระสวดมนต์มีการฝึกนั่งสมาธิมีการฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญา แต่ถ้าวันพรุ่งนี้ไปวัดจะไม่มีกิจกรรมเหล่านี้เพราะทางวัดยังยึดถืออยู่กับปฏิทินของสมัยโบราณอยู่ปฏิทินตามวันขึ้นแรมเช่นวันนี้วันแรมสิบสี่ค่ำเป็นวันพระวันพระต่อไปก็ต้องเป็นวันขึ้นแปดค่ำวันขึ้นแปดค่ก็ไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ ตรงกับวันพุธนถ้าวันเสาร์อาทิตย์ญาติโยมหยุดทำงานคิดอยากจะไปวัดไปวัดก็จะไม่มีพระมาคอยจัดกิจกรรมให้พระท่านจะไม่ได้ลงศาลากันท่านก็จะไปบินทบาทกลับจากบินทบาทท่านก็จะไปฉันที่กุฏิกันไม่มีกิจกรรมสั่งสอนญาติโยมพาญาติโยม สุดนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ <c oughs> ทางวัดจึงต้องควรที่จะปรับวันพระกันใหม่ควรจะปรับวันพระให้เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพื่อที่ญาติโยมที่หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์จะได้ไปซักพอกจิตใจได้นั่นเอง วันเสาร์อาทิตย์ไปวัดแล้วก็มีกิจกรรมเหมือนกับวันพระวันนี้พระท่านจะลงศาลากันญาติโยมจะไปทำบุญตักบาตรที่วัดไปสมาทานศีลไ่ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ถ้าอยู่วัดได้ก็จะอยู่เพื่อฝึกหัดนั่งสมาธิกันถือศีลอนุโบสดกันนี่คือ ปัญหาของชาวพุทธเราในปัจจุบันนี้คือเหมือนกับคนที่ต้องการซักเสื้อผ้าแต่ไปไปที่ร้านเสื้อผ้าที่จะไปซักกลับถูกไปเจอร้านปิดเขา้าวันที่เราว่างจะซักเสื้อผ้าแต่ร้านซักเสื้อผ้าเขาก็ปิดเขาไม่รับซักให้พอวันที่เราไม่ว่างเขาก็เปิด เขาไปเปิดวันที่เราไปทำงานกันก็เลยไม่ได้ซักพอกจิตใจกันชาวพุทธเราจึงมีความเครียดกันมากขึ้นทุกวันนี้ถึงแม้จะร่ำรวยกันมากกว่าสมัยก่อนอสมัยปูย่าตายายนี้ไม่ร่ำรวยเหมือนสมัยนี้ไม่มีเงินทองหมื่นล้านแสนล้านเหมือนสมัยนี้ไม่มีตึกรามบ้านช่องเหมือนสมัยนี้ไม่มีรถราม มีอะไรต่างๆเหมือนกับสมัยนี้แต่จิตใจของปุย่าตายายนี้กับลมเย็นเป็นสุขมากกว่าจิตใจของพวกเราในปัจจุบันนี้จิตใจของพวกเราในปัจจุบันนี้ถูกความทุกข์ถูกความวามุ่นวายใจต่างๆเข้ามารุมเล้าจิตใจอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่า เราไม่คอยกาจัดเหตุที่มาสร้างความลุ่มละสร้างความวุ่นวายใจให้กับจิตใจของเรานั่นเองนอกจากไม่ได้คอยกับชำระแล้วยังกลับส่งเสริมส่งเสริมให้สิ่งที่มาทำให้จิตใจเราวุ่นวายเศร้าหมองนี้ให้มันมีกําลังมากขึ้น อ, อ, อะไรคือสิ่งที่มาทำให้จิตใจเราเศร้าหมอง ทำให้เราวุ่นวายใจเครียดกันทุกวันนี้ก็คือกิเลสตัณหานั่นเองกิเลสตัณหากิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงตัณหาก็คือความอยากต่างๆอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากมีอยากเป็นตอนนี้อยากเป็นสอกันก็วิ่งเต้นกันหาเสียงกันตั้งแต่เช้ามืดจนกระทั่ง มืดคำ่ำตอนนี้ต้องรีบหาเสียงกันถ้าอยากมีถ้าอยากเป็นกันอยู่เฉยๆไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ไม่เสียเวลาต้องรีบไปหาเสียงกันพวกที่อยากได้ตำแหน่งอยากได้ยศ ก, ก็เหมือนกันก็ต้องวิ่งเต้นกันทางานทาการกันเพื่อให้มีผลงานเพื่อที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกัน นี่คือเรื่องของสิ่งที่มาสร้างความวุ่นวายใจให้กับจิตใจและสิ่งที่หากันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้ใจมีความสุขกับจะทำให้ใจมีความทุกข์กับสิ่งที่ได้มาเสียอีกเพราะสิ่งต่างๆที่เราหากันนี่ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงเก่นนัดต่างๆมันเป็นอนิจจ์มันไม่เที่ยง มันได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องเสื่อมไปหมดไป เ, ออเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีออกดีใจออพอได้อยู่กับมันไปสักพักเดี๋ยวมันเริ่มเปลี่ยนไปมันเริ่มชำรุดทรุดโทรมเริ่มเสื่อมลงไปความสุขที่ได้จากมันก็จะหายไปแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนทีออออ่นี่คือการไป สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจโดยไม่รู้สึกตัวโดยไปคิดว่าการมีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้เสพมาให้สัมผัสนี้จะให้ความสุขกับจิตใจแต่กลับต้องมาเจอความทุกข์กับสิ่งต่างๆที่หามาได้เพราะสิ่งต่างๆที่หามาได้มันไม่เที่ยง มันมีวันเสื่อมมีวันหมดเวลาได้มาก็ดีใจเวลาจากไปก็เสียใจ อ, อันนี้เพราะอะไรจึงทำให้ให้ไปหาสิ่งต่างๆเหล่า น, น, นี้ก็เพราะความหลงนั่นเองกิเลสกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงความหลงนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความโลภ อยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นนสมาเสพเพราะหลงไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะให้ความสุขนั่นเองซึ่งมันก็ให้ความสุขแต่มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดมันสุขตอนที่ได้เสพพอเวลาที่ไม่ได้เสพเวลานั้นมันจะกลายเป็นความทุกข์ไป เราจึงต้องมาฟังเทศฟังธรรมมาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ากันถ้าเราได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนเราจะได้หายหลงเราจะได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่เราหากันสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขกันนี้มันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขเที่หุ้มหอ่อความทุกข์เอาไว้เปรียบเหมือนกับน้าตาล ที่เคลือบยาขมเนี่ยน้ำตาลนี่มันเป็นผิวบางๆเคลือบยาขมมาไว้ถ้าอมไว้เวลาอมใหม่ๆมันจะรู้สึกหวานแต่พอน้ำตาลละลายไปแล้วก็จะเจอกับพิษของยาขมที่เขาต้องเคลือบน้ำตาลไว้เพราะจะได้กลินได้จะได้เกลืนได้ถ้าไม่เคลือบไว้มันขมพอเข้าปากมันก็อยากจะบ้วนทิ้ง เขาก็เลยต้องเคลือบน้ำตาลไว้สักหน่อยเพื่อที่จะได้ไม่ได้ไปเสพกับลดขมของยาถึงจะพอกินยาได้นีอันนี้ก็เหมือนกันความสุขต่างๆที่เราหากันอยู่นี่เป็นการหาความทุกข์กันเพราะเป็นความสุขที่เป็นผิวบางๆที่หุ้มห่อความทุกข์เอาไว้ไม่ช้าก็แล้วสิ่งที่เราได้มานี้มันจะต้องทาให้เราทุกข์กัน ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเช่นลาบคืออะไรลาบก็คือเงินทองเงินทองเวลาเราได้มานี่เราดีใจกันแต่พอเราเอาไปใช้เดี๋ยวมันก็หมดพอเงินทองหมดแล้วมันเป็นยังไงสุขใจหรือทุกข์ใจพอไม่มีเงินใช้ทีนี้ก็ทุกข์ใจกันยศก็เหมือนกันตำแหน่งต่างๆเวลาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ดีใจกัน พอเวลาถูกปลดก็เสีย อ, อกเสียใจกันน้วมีใครรับประกันว่าได้มาแล้วจะได้ไปตลอดไม่มีหรอกต่อให้ไม่มีใครมาปลดก็ตามเดี๋ยวถึงเวลาอายุหกสิบก็ต้องลาออกไปเองยศที่เคยได้เคยมีก็หมดไปกลายเป็นของคนอื่นไปเคยเป็นนายพันนายหมื่นนายพล พออายุหกสิบปีเขาก็ให้ออกจากราชการไปหรือถ้าไปทำผิดอะไรบางอย่างเขาก็อาจจะถูกบทถูกลดตำแหน่งถูกเลื่อนขั้นลงนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขเราคิดว่าอเราได้มาแล้วเราจะมีความสุขกันแต่เราไม่เคยถามเราตัวเองเลยว่า ถ้าเวลามันจากเราไปมันจะให้ความสุขกับเราหรือเปล่าเอของต่างๆในโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามีเจริญต้องมีเสื่อมเป็นธรมรมดาเป็นโลกรรโลกระทำคำว่าโลกกระทำก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดก็มีดับมีการเจริญราบก็มีการเสื่อมราบมีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศน มีสรรเสริญก็มีนินทา เ, าเวลาเราได้รับการสรรเสริญนี่เราดีอกดีใจยิ้มหน้าแป้นไปพอวันหลังเขามาด่าเรามาว่าเราเราก็จะเสียใจจะทุกข์ใจขึ้นมาแล้วรูปเสียงเกล็ดนัดที่เราไปเสพกันด้วยการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูมหโหสถบันเทิงอะไรต่างๆ ไปดื่มไปรับประทานเครื่องดื่มอาหารตามล้านอาหารต่างๆเหล่านี้ก็เหมือนกันพอเวลามันหมดไปมันก็ทำให้เรารู้สึกความสุขหายไปถ้าอยากจะได้ความสุขจากรูปเสียงกล็ดลดใหม่ก็ต้องไปเสพใหม่เรื่อยๆแต่วันหนึ่งมันจะต้องเสพไม่ได้เพราะหนึ่งเงินน่า จ, จะหมดเงินที่จะพาเราไปเที่ยวหมดก็ไปเที่ยวไม่ได้ เงินที่จะพาเราไปดูมหรสรพบันเทิงต่างๆพอหมดมันก็ไปดูไม่ได้หรือถ้าเงินไม่หมดแต่ร่างกายมันเสื่อมร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสได้นี่คืออนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเวลาเกิดเวลาเจริญ น, นี้มันให้ความสุข แต่เวลามันเสริมเวลามันดับนี้มันจะให้ความทุกข์เนี่ยนี่แหละคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเราต้องพยายามสอนใจเราให้รู้ทันความหลงถ้าเราไม่คอยสอนใจเดี๋ยวความหลงมันจะหลอกให้เราไปหาลาบยศสารเสญไปหารูปเสียงกิจรสต่างๆอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราได้เข้าวัดกัน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 ร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เรามีการพัดพาคจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการพัดพาคจากกันไปไม่ได้ถ้าเราหมั่นคิดอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราจะแก้ความหลงได้เราจะหยุดความหลงได้แล้วเราจะได้มาหาความสุขที่ที่แท้จริงกันนี่ ก็คือการความสุขที่ได้จากการชำระจิตใจให้สะอาดนี่แหละเป็นการหาความสุขที่แท้จริงเพราะจิตใจที่สะอาดนี้จะไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาจะไม่เสื่อมไปกับความแก่ของร่างกายจะไม่เสื่อมไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายจะไม่เสื่อมไปกับความตายของร่างกาย ใจของผู้ที่ได้รับการชำระให้สะอาดนี้จะมีความสุขตลอดเวลาดูใจของพระพุทธเจ้าดูใจของพระสาวกทั้งหลายร่างกายของท่านก็เหมือนร่างกายของเราที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เวลาที่ร่างกายของพระพุทธเจ้าแก่พระพุทธเจ้ากลับมีความสุขเหมือนเดิมมีความสุขใจเต็มร้อยเหมือนเดิม เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีความสุขใจเต็มร้อยเหมือนเดิมเวลาตายก็มีความสุขใจเต็มร้อยเหมือนเดิมเวลาที่ไม่มีลาบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงเกิ่นลดก็มีความสุขเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขเคาใจที่มีความสะอาดบริสุทธิ์นี้มีความสุขในตัวของมันเองะ อันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงและเป็นความสุขที่จีรังถาวรได้มาแล้วจะไม่มีวันหมดถ้าเรารู้จักรักษาด้วยการหมั่นซักพอกชําระจิตใจอยู่เรื่อยอพระพุทธเจ้าเลยต้องสอนให้พวกเร า, าหยุดทำงานกันสักหนึ่งวันหยุดการหาเงินหาทอง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอยู่เหมือนกันเพราะว่าเงินทองก็เป็นสิ่งที่เราต้องมีเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายให้เราหาเงินทองได้แต่ให้หาเงินทองเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายแต่อย่าหาเงินทองเพื่อมาหาความสุขใจเพราะว่าเงินทองไม่สามารถซื้อความสุขใจได้ ความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขแบบยาเสพติดที่จะทำให้ต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปถ้าอยากจะมีความสุขใจพอเรามีเงินทองเลี้ยงดูร่างกายเราได้พอเพียงแล้วเราควรจะเอาเวลาว่างนี้มาชำระจิตใจกันดีกว่า มาเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า อ, อยู่เรื่อยๆการให้มาวัดในวันพระนี้ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่าการซักพอกจิตใจถ้าจะให้มันสะอาดมากขึ้นและสะอาดแบบไม่เสื่อมจะต้องซักพอก แทบทุกวันเลยเกือบทุกวันเลยเพราะเวลาใดที่เราไม่ซักพฟอกเวลานั้นคราบสุกปกมันก็จะกลับเข้ามาได้คือกิเลสตัณหานี้ถ้าเรายังไม่ได้กําจัดให้มันหมดสิ้นไปจากจิตจากใจมันก็จะมาคอยสร้างความเศร้าหมองให้กับจิตใจของเราอยู่เรื่อยๆถ้า ต, ต้องการให้จิตใจเรานี้ปราศจากความเศร้าหมองตลอดเวลาเราก็ต้องปฏิบัติ จนสามารถกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้การที่จะทำแบบนั้นได้ก็จำเป็นที่จะต้องซักพอกทุกวันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เราก็ต้องเริ่มอยู่ที่วันพระก่อนอเพราะว่าตอนนี้เรายังมีภารกิจมีหน้าที่มีภาระรับผิดชอบ อยู่อยู่ดีๆเราจะทิ้งทุกอย่างแล้วก็ไปบวชเลยนี่มันก็ยังอาจจะทำไม่ได้กันยกเว้นคนบางคนนคนบางคนนี้มีบุญมากมีภาระข้อรับผิดชอบน้อยพอวันไหนได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าเข้าใจปับรู้แล้วว่าความสุขอยู่ที่ไหนรู้อยู่วรู้ว่าความสุขอยู่ที่การชาระจิตใจให้สะอาดตลอดเวลา ก็ขอบวชเลยก็มีสมัยพุทธกาลนี่มีญาติโยมบางคนนี่พอได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาขอบวชทันทีเลยเคยเป็นคาลวะเคยมีอะไรก็สละหมดเลยออกบวชได้เลยอันนี้มีจำนวนน้อยมากนานจะมีสักคนหนึ่งถ้าเปรียบเหมือน เหมือนเหมือนเขาวัวก็ในวัวแต่ละตัวนี่ก็มีแค่สงเขาแต่แต่คนส่วนใหญ่นี้จะเป็นเหมือนพวกขนวัวมากกว่าคนที่ยังมีภารากิจมีความรับผิดชอบจะออกบวชทันทีทันใดหลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมมันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วนี้ยังไม่สามารถทำได้กัน แต่คนที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาปั๊บรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การชำระจิตใจก็จะตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วก็มุ่งไปสู่การชำระทรัพยอกจิตใจด้วยการออกบวชกันนอันนี้นานๆานานจะมีสักคนหนึ่งเหมือนกับเขาวัวเขาควายตัวหนึ่งมันจะมีแค่สองสองเขาเท่านั้นเอง แต่คนที่ที่ยังไม่สามารถที่จะสลัดภารกิจต่างๆสลัดความรับผิดชอบอะไรต่างๆได้ทันทีทันใดก็ต้องอาศัยการหาเวลาว่างอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีคือวันหยุดทำงานแทนที่จะเอาวันหยุดทำงานไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกาย ก็มาหาความสุขจากการชำระซักพอกจิตใจจะดีกว่าเพราะจะเป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภต่อให้หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะต้องมีวันที่จะต้องเสียใจเศร้าใจ เวลาที่ไม่สามารถที่จะรักษาความสุขเหล่านั้นให้อยู่กับเราไปได้ดังนั้นขอให้เรามาเริ่มต้นที่วันพระกันมากำหนดวันพระกันขึ้นมาใหม่ถ้าเรายัางต้องทำงานอยู่ก็ขอให้เรากำหนดวันหยุดทำงานของเราคือวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระแล้วก็ไป ไปหาวัดที่มีกิจกรรมทางวันวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าไปที่วัดป่าวัดปฏิบัตินี่เขาจะมีกิจกรรมทุกวันมีกิจกรรมให้ทำบุญทำทานให้รักษาศีลให้ฟังเทศฟังธรรมให้อยู่ปฏิบัติธรรมได้ ใคอยากจะอยูย่ปฏิบัติธรรมคร้างคืนสามวันเจ็ดคืนสามวันเจ็ดวันหรือยาวกว่า น, นั้นก็จะมีที่ให้อยู่ได้ให้ปฏิบัติได้นี่คือการที่เราจะต้องออพัฒนาการการการกำหนดวันพระของเราให้มันทันสมัยให้มันทันกับเหตุการณ์ เหตุการณ์ก็คือวันหยุดของเราไม่ได้เป็นวันพระแล้วสมัยนี้วันหยุดของเราเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ดังนั้นเราก็ต้องมาหยุดมาถือวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันเป็นวันที่เราจะหยุดไปซักพอกจิตใจที่วัดก็ต้องแล้วก็ต้องไปเลือกหาวัดที่มีกิจกรรมให้ซักพอกจิตใจกิจกรรมที่จะซักพอกจิตใจก็คือ ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาก็ได้ทําบุญทําทานใส่บาตรแล้วก็รักษาศีลกันถ้ายังไม่เคยรักษาศีลห้าให้ครบก็ตอนต้นก็เริ่มรักษาศีลห้าให้ครบในวันพระก่อนเอถ้ารักษาศีลห้าได้ครบแล้วก็ให้เพิ่มเป็นศีลแปดเพราะการที่จะชํา ชำระซักพอกจิตใจให้สะอาดได้นี้ต้องมีศีลศีลแปดขึ้นไปถ้าถือศีลห้านี้ยังไม่มีกําลังซักพอกพอต้องเพิ่มให้เป็นศีลแปดหรือศีลสิบหรือศีลสองอยิบเจ็ดเนี่ยแล้วจะได้มีเวลามาซักพอกจิตใจได้อย่างเต็มที่การถือศีลแปกก็เพื่อการหยุดกิจกรรม การหาความสุขแบบยาเสพติดนั่นเองคือการหาความสุขจากการทางร่างกายทางทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติดต้องหยุดกิจกรรมเหล่านี้สิลข้อที่สามก็ต้องเปลี่ยนเป็นจากการไม่จากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนมาเป็นไม่ร่วมหลับนอน กับใครหยุดกิจกรรมอันนี้แล้วก็หยุดนับประทานอาหารเย็นเลิกรับประทานอาหารเย็นรับประทานอาหารเพียงเที่ยงวันก็พอแล้วก็หยุดการไปเที่ยวเตะไปหาความสุขจากมหรลสบบันเทิงต่างๆดูหนังดูละครร้องลําทำเพลง ไปเที่ยวตามงานเลี้ยงต่างๆงานสังคมงานสังสรรค์งานอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามให้แต่งตัวให้สะอาดก็พออาบน้ำอาบท่าหวีผ้าหวีผมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่จำเป็นที่จะต้องเสริมความงามต่างๆแล้วหลับนอนก็ให้หลับนอนบนพื้นแข็งๆจะได้หลับนอนไม่นาน ถ้าหลับนอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆนมันจะสบายเกินไปแล้วเวลาหลับเวลาตื่นแล้วมันจะไม่อยากจะลุกจะนอนมากเกินไปจะทำให้เสียเวลาอันมีค่าที่จะนำเอามาซักพอกจิตใจเพราะการซักพอกจิตใจนี้เป็นงานที่ต้องทำตลอดเวลาศีลก็ต้องรักษาตลอดเวลา แล้วก็ภาวนาก็ต้องภาวนาตลอดเวลาคำว่าภาวนาก็คือการซักฟอกจิตใจนั่นเองการภาวนานี้ก็มีอยู่สองระดับซักฟอกแบบชั่วคราวกับซักฟอกแบบถาวรตอนต้นเราก็ต้องซักฟอกแบบชั่วคราวก่อนทำให้เสื้อผ้าให้สะอาดก่อนทำจิตใจให้สะอาดก่อน พอจิตใจสาอาดแล้วขั้นที่สองก็คอยป้องกันรักษาไม่ให้มันสกปรกนีอ น, นี้คือการภาวนามีอยู่สองขั้นขั้นแรกเรียกว่าส ม, มถภ า, าวนาคือทำใจให้สงบให้มีความสุขให้ให้หยุดการทำงานของกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆกิเลสตัณหานี้จะหยุดทำงานก็ต่อเมื่อ เราทําใจให้สงบได้หยุดคิดนถ้าหยุดคิดได้กิเลสตัณหาก็จะหยุดเพราะว่ากิเลสตัณหานี้ต้องอาศัยความคิดถึงจะทํางานได้ถ้าเราไม่คิดถึงที่ท่องเที่ยวเราก็จะไม่เกิดความอยากจะไปท่องเที่ยวถ้าเราไม่คิดถึงแฟนเราก็จะไม่อยากไปหาแฟนะถ้าเราไม่ได้คิดถึงขนมนมเนยอะไรต่างๆเราก็จะไม่อยากกินขนมนมเนย แต่พอเราคิดปั๊บเดี๋ยวเกิดความอยากขึ้นมาทันทีคิดถึงขนมคิดถึงกาฟแฟก็อยากกินอยากดื่มขึ้นมาคิดถึงภาพยนตร์คิดถึงละครก็อยากจะดูขึ้นมาคิดถึงเพลงก็อยากจะร้องรำทำเพลงขึ้นมาดังนั้นถ้าเราหยุดความคิดได้กิเลสตัณหาก็จะหยุดทำงานชั่วคราวแต่เราไม่สามารถหยุดความคิดได้ตลอดเวลาเราหยุดได้เป็นพั ก, พก เช่นเวลาที่เรานั่งสมาธิถ้าเราควบคุมความคิดด้วยสติได้จิตก็จะสงบนิ่งอยู่สักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็จะถอนออกมาจะเริ่มคิดใหม่พอมันเริ่มคิดใหม่มันก็จะคิดไปในทางความอยากใหม่ถ้าเราต้องการให้มันหยุดคิดไปในทางความอยากเราก็ต้องมาสอนใจ วิธีที่จะทำให้มันไม่คิดไปถึงไปทางความอยากอันนี้ขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาขั้นแรกสอนให้หยุดคิดขั้นที่สองพอมันคิดก็สอนให้มันคิดไปในทางที่จะทำไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมากิเลสตัณหานี่มันเกิดเพราะมันมองไม่เห็นความจริงมันหลงคิดว่าสิ่งที่มันอยากได้นั้นเป็นความสุข แต่พอเราสอนให้มันมองความจริงมองให้เห็นว่าสิ่งที่มันอยากได้นั้นมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วเวลามันจากเราไปมันก็จะทำให้เราเศร้าทำให้เราเสียใจนี่คือการชาระฟักพอกจิตใ จ, จนี้ต้องทำสองระดับด้วยกัน ระดับแรกต้องหยุดความคิดก่อนหยุดการทำงานของกิเลสตัหาไว้ชั่วคราวก่อนถ้าเราหยุดมันได้ต่อไปเราก็จะสอนให้มันคิดไปอีกทางหนึ่งได้ตอนนี้หยุดความคิดก่อนถ้ายังหยุดความคิดไม่ได้จะสอนให้คิดไปอีกทางหนึ่งนี้จะไปไม่ได้เหมือนกับเวลาที่เราจะกลับรถเนี่ยถ้าเราวิ่งไปทางนี้แล้วเรารู้ว่าไปผิดทางเราต้องไปอีกทางหนึ่งเราต้องกลับรถ สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องหยุดรถก่อนพอหยุดรถแล้วเราถึงจะเลี้ยวกลับได้พอเลี้ยวกลับได้แล้วเราถึงจะสามารถวิ่งไปในทิศทางที่เราจะต้องการไปได้จะ่ด้ความคิดนี้ก็เหมือนกันถ้าเรายังหยุดคิดไม่ได้เราจะสอนให้มันคิดไปในทางที่มันควรจะคิดนี้มันจะไม่ฝังเรามันเคยคิดไปในทางกิเลสตัณหามันก็จะคิดไปในทางกิเลสตัณหาอยู่เรื่อย แต่ถ้าเรามีกำลังหยุดมันได้หยุดมันไม่ให้มันคิดได้พอเราหยุดมันได้แล้วพอมันจะเริ่มคิดเราก็สั่งให้มันคิดไปในทางที่เราต้องการให้มันคิดก็ไดาษนี่คือทำไมเราจึงต้องมีสองขั้นในการภาวนาทำไมจึงต้องมีสมถะภาวนาก่อนที่จะไปวิปัสสนาภาวนาทำไมต้องมีสมาธิก่อนก่อนถึงจะไปเจริญปัญญาได้ เพราะว่านี่เป็นธรรมชาติของจิตใจมันเป็นอย่างนี้เหมือนกับการกลับรถนี่ทำไมเราต้องหยุดรถก่อนถึงจะกลับรถได้ก็เพราะว่าถ้าเราวิ่งไปแล้วกลับรถรถมันก็พลิกคว่มทั้งนั้นเองมันไม่สามารถที่จะกลับได้ขณะที่รถวิ่งไปต้องหยุดรถก่อนหยุดแล้วก็เลี้ยวกลับแล้วถึงจะสามารถวิ่งไปทิศทางหนึ่งได้ใจของเราก็เหมือนกันตอนนี้ใจของเราถูกความหลง ผักดันให้คิดไปในทางกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยๆคิดให้เราอยากได้ลาบยศจลาเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายต่อให้เรารู้ว่าทางนี้ไม่ดีเราก็หยุดไม่ได้ตอนนี้ญาติโยมก็รู้ว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดนได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องเสียใจเวลาที่สูญเสียมันไปะ ได้อะไรมาดีใจพอสูญเสียมันไปก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยพวกที่มาอยู่วัดกันเนี่ยมีมีบ้างไหมที่มาอยู่วัดก็เพราะว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเศร้าโศกเสียใจกันเพราะต้องสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่สูญเสียคนนั้นคนนี้ก็สูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ บางคนก็า จ, จะเสียงานไปเสียตำแหน่งเสียหน้าที่ตกงานบางคนก็เสียพ่อเสียแม่ไปบางคนก็เสียแฟนไปบางคนก็เสียลูกไปพอเสียสิ่งที่เคยให้ความสุขกับตนความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็มีแต่ความทุกข์มาลุมเ้าทำยังไงมันก็ไม่ยอมหายไปพ่อไม่รู้จักวิธีทำจึงต้องมาอยู่วัดกัน เพราะวันนี้เป็นที่สอนวิธีที่จะทำให้กาจัดความทุกข์ที่เกิดจากกวการสูญเสียได้ก็ให้มาฝึกหัดหยุดความคิดกันนั้นเหงหยุดความอยากอย่าไปอยากได้สิ่งที่สูญเสียไปแล้วยิ่งอยากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นเพราะสิ่งที่มันจากเราไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วทำไมถึงไปอยากให้มันกลับมาทำไมมันไปแล้วมันไม่มีวันกลับ เหมือนจานที่มันแตกแล้วจะไปอยากให้มันกลับปเป็นเหมือนตอนที่มันไม่แตกนี่มันเป็นไปไม่ได้มันแตกแล้วก็เก็บมันไปทิ้งถังขยะไปไ ป, ไปหาจานใบใหม่ก็ได้ถ้ายังถ้ายังไม่เข็ดก็ไปหาจานใบใหม่แต่เดี๋ยวหาจานใบใหม่ได้มาเดี๋ยวมันแตกตกแตก ก, กก็เสียใจอกีกถ้าเข็ดก็อย่าไปหาใหม่ไปหาหาจานแบบไม่แตกดีกว่าหาาจานแบบสแตนเลสเดี๋ยวนี้ ตกเท่าไหร่ก็ไม่แตก อ, อก็ไปหาวิธีหาความสุขแบบใหม่ดีกว่าหาความสุขแบบที่พระเจ้าสอนดีกว่าถ้าเราเสียใจกับการสูญเสียคนรักไปเราต่อไปนี้เราเลิกไปมีคนรักไม่ดีกว่าเลยเรามาหาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องมีคนรักไม่ดีกว่าหรือเพราะถึงแม้จะได้คนรักคนใหม่เดี๋ยวก็ต้องเกิดการพัดภาคจากกันขึ้นมาใหม่อีกก็ต้องเสียใจอีกถ้าไม่เข็ด ก็ต้องไปหาของความทุกข์อีกแต่ถ้าเข็ดก็ไปหาความสุขแบบใหม่ดีกว่าหาความสุขที่เกิดจากการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการมาอยู่วัดกันมาถือศีลกันแล้วมาฝึกขัดภาวนากันมาทำจิตใจให้สงบกันวัดส่วนใหญ่นี้จะสอนให้ไหว้พระสวดมนต์อันนี้เป็นขั้นต้นของการฝึกขัดภาวนา การสวดมนต์นี้เป็นการฝึกสติหยุดความคิดนั่นเองถ้าเราไม่สวดมนต์กันเราก็จะนั่งคิดถึงคนนั่นคนนี้คิดถึงคนรักที่จากเราไปแล้วพอคิดแล้วก็เศร้าใจเสียใจแต่ถ้าเรามาสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยเราก็ไม่สามารถไปคิดถึงคนรักที่จากเราไปได้เราก็จะรู้สึก ไม่รู้สึกรู้สึกไม่รู้สึกเศร้าใจเสียใจเนี่ยความเศร้าใจเสียใจเกิดจากความคิดพอคิดถึงคนรักก็อยากจะให้เขากลับมาอยู่กับเราพอเขาไม่กลับมาอยู่กับเราก็ทำให้เราเศร้าใจแต่พอเราสวดมนต์ไปเรื่อยเราก็จะลืม เ, เรื่องคนรักได้พอลืมเรื่องคนรักความอยากให้คนรักเขากลับมาอยู่กับเราก็หายไป เราก็ไม่เศร้าเราก็อยู่ของเราเองได้อยู่แบบไม่มีคนรักได้อันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่ยังไม่สามารถเข้าไปสู่ข่านที่ลึกกว่านั้นได้การสวดมนต์นี้เป็นการฝึกสติเพื่อให้คอยควบคุมความคิดแต่ยังไม่สามารถหยุดความคิดให้นิ่งได้นานพอหยุดสวดเมื่อไหร่ปั๊บนี้ก็สามารถแวบกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปได้ ดันั้นต้องหลังจากสวดมนต์แล้วต้องนั่งสมาธิต่อสวดมนต์ไปสักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้มีสติเพื่อให้ความคิดมันเบาลงพอความคิดมันเบาลงทีนี้เราก็ต้องนั่งหลับตานั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปอย่าไปคิดอะไรให้คิดอยู่กับลมอย่างเดียวให้รู้ว่าลมกาลังเข้าหรือกาลังออก ลมสั้นลมยาวลมหยาบลมละเอียดให้เฝ้าดูไปเรื่อยถ้าเราสามารถดึงใจให้อยู่กับลมได้เดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบแ ล, แลทีนี้เราก็จะได้เบา อ, อกเบาใจได้พบกับความสุขที่พระเจ้าต้องการให้เราได้สัมผัสกันคือความสุขที่เหนือกว่าความความสุขทั้งปวงนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัติสันติป ร, รังสุขขัง ไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบเลนี่แหละคือความสุขที่จะทำให้เรานี้มีความอิ่มใจสุขใจสบายใจเบา อ, อกเบาใจจะไม่มีความหิวความอยากกับอะไรอีกต่อไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปเจอความทุกข์กันเพราะถ้าเรามีความสุขนี้แล้วเราก็จะไม่ต้องไปหา ความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราไม่ไปหาเราก็จะไม่ทุกข์เพราะว่าเราไม่ต้องไปเสียใจเพราะว่าเราไม่มีอะไรจะต้องเสียใจเราไม่มีอะไรที่จะต้องจากเราไปนั่นเองนี่คือขั้นแรกต้องทำให้เราเข้าสู่ความสงบให้ได้แต่ความสงบนี้มันจะอยู่ได้ไม่นานเท่านั้นเอง เพราะว่าหลังจากสงบได้สักระยะหนึ่งแล้วจิตมันก็จะต้องออกมาออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆของร่างกายต้องมาเลี้ยงดูร่างกายดูแลร่างกายต่อ พอออกมาแล้วทีนี้เราต้องสอนให้มันคิดไปอีกทางหนึ่งอย่าให้มันคิดในทางเดียมพอออกมามันจะคิดไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากคนนั่นคนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันได้มาก็สุขแต่เดี๋ยวพอมันจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ได้อีกนะ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นขอมาควบคุมใจหยุดความคิดต่อไปให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราได้มาแล้วจะต้องมีวันจากกันไปถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเสียใจก็อย่าไปหาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราถ้าอยากมีความสุขก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ทาใจให้สงบใหม่ สอนใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะฝืนความอยากต่างๆกำจัดความโลภความอยากต่างๆที่มาทำให้ใจเศร้าหมองนี้หมดไปได้พอใจได้กำจัดความเศร้าหมองต่างๆหมดไปใจก็จะสะอาดขึ้นมาใจก็จะมีความสุขยิ่งสะอาดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นพอกำจัดความ ความโลภความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะสะอาดเต็มร้อยบริสุทธิ์เต็มร้อยใจก็จะมีความสุขเต็มร้อยแล้วก็จะเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะจะไม่มีอะไรมาทำให้ใจเศร้าหม อ, องได้อีกต่อไปเพราะเหตุที่ทำให้ใจของเราเศร้ากันนั้นถูกกาจับไปหมดแล้วด้วยอำนาจของการซักฟอกใจคือการภาวนา สมัมมาทัปปวนาและวิปัสนาภาวนานี่เองพอเราซักฟอกจิตใจจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็หยุดการซักฟอกได้เหมือนซักเสื้อผ้าพอเสื้อผ้าสะอาดแล้วเราก็หยุดซักเราก็เอามาแขวนเอามาตากให้มันแห้งแล้วเราก็เอาไปใช้ต่อได้ เแต่ว่าเสื้อผ้าถ้าเอาไปใส่ใหม่มันก็เปื้อนอีกแต่ถ้าจิตใจนี้ถ้ามันสะอาดแล้วทีนี้มันไม่เปื้อนแล้วถึงแม้มันจะไปสัมผัสกับอะไรต่างๆก็ตามมันจะสัมผัสกันแบบน้ำบนใบบัวหยดน้ำบนใบบัวมันจะไม่ซึมเข้าหากันคราบสกปรกต่างๆที่มาสัมผัสกับใจมันจะไม่ทำเข้าไปในใจ ใจรับรู้อยู่รับรู้ว่าได้ลาบยศจารเสริญแต่ใจไม่ได้ไปยินดียินร้ายกับการได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้สัมผัสอยู่เนี่ยพระอาหารหันยังกินข้าวอยู่ยังรู้รสของอาหารอยู่ว่าอันนี้อร่อยหรือไม่อร่อยแต่ใจของท่านไม่ได้ไปยินดี กับอาหารรสชาติของอาหารยินดียินไล่กินเหมือนกินยากินเพื่อให้ร่างกายมันอิ่มเท่านั้นอร่อยไม่อร่อยก็กินได้ทั้งนั้นเวลามันหิวแล้วเมื่ออะไรมันก็กินได้ทั้งนั้นกินเพื่อให้อยู่ให้ร่างกายอยู่ได้แต่ใจไม่ได้เป็นดีอกดีใจไปกับอาหารที่ได้รับประทานว่าโอวันนี้มีความสุขเหลือเกินได้กินอาหารจานโปรดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แบบแม้วันนี้กินไม่อร่อยเลย ไม่มีความสุขเลยเพราะไม่ได้กินอาหารที่ถูกปากอันนี้จะไม่มีในใจของที่ได้ของใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีความยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆ ท, ที่ยังต้องสัมผัสรับรู้อยู่สัมผัสแล้วก็ปล่อยไว้สัมผัสแล้วรับรู้แล้วก็ผ่านไปใครด่าปั๊บรับรู้แล้วก็ผ่านไปใครชมปั๊บรับรู้แล้วก็ผ่านไป ไม่เอามานั่งคิดให้เสีย อ, อกเสียใจแล้วดี อ, อกดีใจเหมือนคนที่ยังมีกิเลส ต, ตันหายอยู่เวลาใครด่าตั้งด่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้บ่ายนี้ยังยังโกรธอยู่เลยพอคิดถึงคนที่เขาด่าทีไรก็โกรธขึ้นมาทุกทีหรือได้ยินคำชมตอนเช้าแล้วตอนเย็นยังยิ้มแป้นอยู่ทุกครั้งเวลาคิดถึง เ, เวลาที่เขาชมเราด่าใจของที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วจะไม่เป็นอย่างนี้ ่าไม่ยึดไม่ติดกับอะไรจะไม่ได้ยินดีร้ายเพราะมันความสุขที่ได้มันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไมไม่ได้ความสุขที่ได้จากใจที่สะอาดบริสุทธินี้มันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงมันจึงไม่ดูดอะไรเข้ามาในใจอีกต่อไปมันเลยไม่ต้องทุกข์กับอะไรอีกต่อไป น, นี่คือผลของการที่เรามาวัดในวันพระ มาซักพอกจิตใจเราจะได้ความสุขที่บริสุทธิ์ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขที่จีรังถาวรที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความสะอาดของจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา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 จันโทปันะราโสยถามณิโชติอราโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารุโควินาสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิสานิจจังุทาปจายโน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 วิทยุออนไลน์สามสิบสองรับฟังข้างบนนี้แปดสิบสามคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยสามสิบสองครับ <Okay. S 3> นักพัสการค่ะหลวงพ่อคำถามฝากถามค่ะเาเ อ, อน้องเ็าบอกว่าเขาเป็นคนที่มองคิดแล้วมองคนในแง่ร้ายว่า คนนี้ดีจริงไหมสงสัยจะดีไม่จริงเขาชอบคิดเช่นนี้ประจำหลวงพ่อคะมีอะไรที่แนะนาไหมคะคือการคิดร้ายหรือคิดดีนี่มันก็มันก็มีเหตุมีผลบางทีเราอาจจะต้องคิดร้ายควาว่าคิดร้ายก็ไม่ได้หมายความว่าเราไปว่าเขาร้ายแต่เราอาจจะต้องระวังว่า เขาอาจจะไม่ดีก็ได้ถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่เสียหายถ้าเรายังไม่รู้จักว่าเขาดีจริงหรือไม่ดีจริงเราก็ไม่ควรไปสรุปว่าเขาดีหรือเขาร้ายเราก็ต้องคิดว่าเขาอาจจะดีก็ได้เขาอาจจะร้ายก็ได้ยันโบราณเขามีคำพูดว่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คน เหเวลาเราครบใครใหม่ๆเราอย่าเพิ่งไปสรุปว่าดีหรือไม่ดีต้องดูพฤติกรรมของเขาไปเรื่อยๆก่อนอันนี้คือการดูคน<ช>อย่าไปเหมาว่าพอเห็นคนที่เราไม่ชอบปั๊บก็ว่าไม่ดีเห็นคนที่ว่าเราชอบปั๊บก็ว่าดีเพราะว่าเรายังไม่เห็นหมดนั่นเอง<ช><ช>เราอาจจะเห็นช่วงที่เขาดีแต่ช่วงที่เขาไม่ดียังไม่เห็น เราดูช่วงที่เขาไม่ดีเวลาที่เขาด่าเรานี้เราจะเราจะรู้สึกยังไง <laughs> เวลาเขาชมเราล้วโอ้เขาว่าเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พอถึงวันไหนเขาโกรธเราเขาด่าเรานี่ทีนี้เราก็อจะได้รู้ว่าเ อ, อ่อมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะฉะนัออ้นมองใครมองคนนี่ต้องมองให้รอบคอบมองทั้งปัจจุบันมองทั้งอนาคตมองทั้งอดีต มองให้มันทั่วถึงโบราณเ่าถึงมีคำพูดว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจตายเข้าใจั้ยนี่คือการมองคนอย่าไปอย่าไปคิดว่าเขาจะดีร้อยเปอร์เซ็นหรือชื่อร้อยเปอร์เซ็นตให้ดูเหตุการณ์ไปเรื่อยดูเหตุการณ์ไปเรื่อยถ้าอยากจะทดสอบใจคนก็ต้องไปร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน จะลองไปเดินข hey ึ้นเขาคิชก so cool. ูดหรือเขาเขาอะไรเนี่ยเขาที่อยู่จังหวัดเลยจังเมืองเลยเนี่ยลองขึ้นภูกระเดิงดูล้วพิสูจน์ดูว่าถ้ารักกันจริงนี้เขาจะตั้งไม่มีอารมณ์เสียใช่ไ้ยพอคนเราอยู่กับความทุกข์ยากลำบากนี้อารมณ์มันจะเสียง่ายแล้วมันเดี๋ยวมันจะวีดออกมากัน แต่ถ้าอยู่กันถ้ามีแต่ความสุขมันก็จะมองไม่เห็นถ้าไปกินไปเที่ยวไปเล่นกันมันก็มีแต่ความสุขมันก็มันก็ยิ้มกันอยู่ตลอดเวลาแต่ต้องไปทุกข์ยากลาบากกันไปอดอยากขาดแคลนกันดูเวลาเนี้ย น, นะถึงจะรู้ว่าเนื้อแท้ของคนเป็นอย่างไรธาตุแท้ของคนเป็นอย่างไรโบราณท่านถึงสอนว่า ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนสมัยก่อนนี้คนเขาจะแต่งงานกันเขาไม่แต่งทันทีหรอกเขามั่นกันเป็นปีนู่นให้รู้จักกันก่อนให้รู้จักนิสัยใจคอกันก่อนอได้ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันก่อนทั้งสุขทั้งทุกข์ถึงจะได้รู้เวลาเวลาเขาทุกข์เขาจะสแสดงอาการยังไงออกมาหรือไม่เนะข้าใจนะโอเค งั้นมองใครก็อย่าไปมองว่าเขาไม่ดีหรือดีเพราะเราเห็นรูปร่างลักษณะหรืออาการเพราะมันไม่ได้เป็นทั้งหมดของเขาเราเห็นเพียงเซี่ยวเดีของเขาเท่านั้นเองเราต้องรอเวลาดูดูดูเวลาอื่นเวลาที่มีเหตุการณ์อย่างอื่นเกิดขึ้นแล้วดูว่าเขาจะแสดงตัวเขาอย่างไรต่อต่อไปโอเคอมีคําถามต่อเลยไหมมีคําถามจากข้างบนนี้นะครับ เ อ, อคําถามช่วงแรกเกี่ยวกับอาชีพการงานมีสามคำถามครับคําถามที่หนึ่งอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดกฎผิดศีลในทางพุทธศาสนามีอาชีพฆ่าสัตว์เพื่ออาชีพเช่นฆ่าไก่ฆ่าปลาฆ่าสัตว์ต่างๆรวมถึงทหารและตํารวจด้วยหรือเปล่าครับทุกอาชีพถ้ายังมีการฆ่าอยู่แต่เพียงแต่ว่าจะมีบาปหนักหรือบาปเบาตัวเองเพราะว่าการฆ่านี้มันมี มันมีมีโทษหนักเบาต่างกันคำถามต่อนเนื่องนะครับถ้าเป็นทหารและตำรวจที่ไม่คอรัปชันและไม่เคยฆ่าโจรผู้ร้ายเลยยังคงผิดศีลอยู่หรือเปล่าคะอ๋อถ้าไม่ฆ่าก็ไม่ผิดเนี่ยและการการจัดการผู้กระทำผิดต่อสังคมเต็มที่ก็ยิงสกัดและบรรเทาเหตุแห่ง การเกิดความสูญเสียนั้นถือเป็นการกระทําโดยหน้าที่หรือเป็นเจตนาเบียดบีนเบียดเบียนผู้อื่นครับก็อยู่ที่ใจว่าเราทําหน้าที่หรือว่าเราทําเพราะว่าความไม่พอใจบางทีเราอาจจะทําเกินหน้าที่ก็ได้เพราะว่าเราไม่หมันไส้คนนี้มันก็เลย จับมาได้แล้วแทนที่จะจับมันเข้าคุกก็ซ้อมมันซะก่อนอย่างนี้อันนี้ก็ทําด้วยความเกินหน้าที่คําถามต่อไปการบอกราคาที่เกินความจริงจากราคาขายแล้วได้ส่วนต่างนั้นใช้หลักการใดในการคิดว่าเราไม่ได้โกหกไม่พูดความจริงหรือถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ผิดศีลข้อสองครับซับ ท, ที่ได้จะบริสุทธิ์ไหมครับ ก็ก่อนที่เราจะตั้งราคาขายแล้วก็คิดซะก่อนเราจะต้องการขายเท่าไหร่แล้วก็ตั้งมันราคานั้นไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาหลอกเขาว่าเป็นอีกราคาหนึ่งบางทีเราตั้งราคาขายไว้ไว้ราคาหนึ่งแล้วเวลาคนมาซื้อบางทีเราอาจจะเปลี่ยนราคาขาย อันนี้มันก็จะว่าโลกก็ได้จะว่าโกหกก็ได้ไม่โกหกก็ได้เพราะราคามันมีขึ้นมีลงได้เหมือนกันค้าขายบางวันขายไม่ออกก็ลดราคาได้วไหนขายดีคนมาซื้อเยอะก็ขึ้นราคาได้เหมือนกันแล้วแต่เขาเรียกว่าระบบของการตลาดอุปสงค์อุปทานงัน้นเงินบาทยังขึ้นยังลงได้ใช่ม ตามมันขึ้นลงตามเหตุตามผลนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการโกหกกันแต่ถ้ามันมีราคามาตรฐานแต่พอรู้ว่าคนนี้ไม่รู้ว่าราคามาตรฐานเท่าไหร่แล้วก็โกงราคาขึ้นไปบอกเกินราคามาตรฐานไอ้อย่างนี้เรียกว่าโกหกหลอกลวงคำถามต่อไปจากคุณวิโรธในปฏิจะส ม, มุดบาทสังขานวิญญาณ น, นามรูป เป็นปัจจัยกันอย่างไรครับอ๋อมันก็เป็นเหมือนกับเรายืนเข้าแถวคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่หนึ่งสั่งมาคนที่สองก็รับคำสั่งคนที่สองรับคำสั่งก็ส่งไปให้คนที่สามมันก็เป็นแบบนั้นอวิชชาก็เป็นเหมือนหัวหน้ายืนหัวแถวคือความหลง พอหลงแล้วมันก็เลยสั่งให้สังขารความคิดให้ให้ไปหาความทุกข์แทนที่จะไปหาความสุขก็คือให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็สั่งไปที่สังขารมันก็สั่งไปที่วิญญาณเพราะวิญญาณมีหน้าที่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้พอวิญญาณสั่งไปวิญญาณก็ไปหาที่ตาหูจมูกลิ้นกาย ตาหูจมูกเล่นการมันก็วิ่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนคนที่คอยรับคําสั่งทอดทอดกันเน่ะคนที่หนึ่งสั่งให้คนที่สองคนที่สองก็รับคําสั่งไปให้คนที่สามคนที่สามก็ไปที่สี่ที่ห้าไปเรื่อยๆื่จนถึงคนสุดท้ายก็ให้ไปเกิดใหม่ปฏิจจามันเป็นอย่างนั้น อวิชชาความหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกดลดิ่นรสก็เลยสั่งสังขารให้คิดปรุงแต่งแต่เรื่องรูปเสียงกดลดิ่นรสใช่ไหมพอเราคิดถึงอะไรส่วนใหญ่ก็อยากจะดูหนังฟังเพลงอยากจะเที่ยวนู่นเที่ยนี่พอคิดปรับสังขารก็ส่งให้ไปหาให้หาวิญญาณวิญญาณไปหารูปเสียงสิวิญญาณมันก็ต้องไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกา ย, า ม, กกายมันก็ต้องไปหารูปเสียงพอรูปเสียงสัมผัสกับ ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาความสุขความสุขใจความทุกข์ใจขึ้นมาพอเกิดความสุขความทุกข์ก็เกิดความอยากขึ้นมาอันไหนเป็นสุขก็อยากได้อันไหนเป็นทุกข์ก็อยากทิ้งไปพอมีการมีความอยากขึ้นมาก็มีอุปทานยึดมัน่น อันไหนเป็นสุขก็อยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆอันไหนเป็นทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆมันก็เลยทําให้เราอต้องคอยวิ่งเต้นเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเป็นภาวะใหม่อยู่เรื่อยๆภาวะนี้ไม่ดีอยู่คนนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนอีกคนนึ่งเนี่ยภาวะเปลี่ยนภาวะใหม่พอเปลี่ยนภาวะไปพอร่างกายตายไปมันเปลี่ยนภาวะไม่ได้ก็ต้องไปเปลี่ยนร่างกายก่อนมันก็ไปเกิดใหม่ เนี่ยคือการการการทำงานของจิตใจของเรามันอยู่ในใจแล้วมันก็สั่งออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมามาเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้แล้วพอร่างกายตายไปมันก็สั่งให้กลับมาหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้กลับมาเกี่ยวข้องแบบใหม่แบบนี้อีก เ, เราจึงมีการเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่มีวันสิ้นสุดเพราะอวิชามันยังให้เราหา ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดอยู่เรื่อยๆการจะมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดได้ก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายพอร่างกายนี้ตายไปมันก็สั่งให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่คำถามต่อไปจากคุณวสันมิฉาสติเป็นอย่างไรและสัมมาสติเป็นอย่างไรครับสัมมาสติก็คือสติที่ไม่คิดปรุงแต่งให้รู้เฉยๆ เช่นเราพุโทโธพุโทโธนี้เพื่อหยุดความคิดปุุงแต่งเพื่อให้เรารู้ว่าเรากาลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งเฉยๆไม่ให้คิดว่าบางทีเรานักจะเดินไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ไปด้วยอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาสติต้องเดินแล้วไม่คิดต้องรู้อย่างเดียวถ้ามีสติกับการเดินแต่ยังคิดกับคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่เรียกว่ามิจฉาสติ ต้องมีสติกับการเดินแล้วก็ไม่คิดด้วยไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงปัจจุบันไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้ให้อยู่กับปัจจุบันเหมือนขับรถนี่ก็ให้มีสติอยู่กับการขับรถไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนั้นคนนั้นคนนี้ถึงจะเรียกว่าสัมมาสติถ้าขับรถไปมีสติขับรถอยู่แต่ก็ยังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นี้เรียกว่ายังไม่ใช่เป็นสัมมาสติเพราะมันไม่ทาใจให้สงบ เราต้องการสัมาสติเพราะสติสัมมาสติจะทำให้ใจเรานิ่งสงบเป็นสมาธิได้คำถามต่อไปจากคุณเดินตามธรรมการเข้าสมาธิมีอาการลงแต่ละครั้งไม่เหมือนกันบางครั้งลงแบบขั้นบันไดาบางครั้งลงแบบตกหลุมตกบ่อและบางครั้งจิตมันเครียด ก็หนีเข้าสมาธิไปเลยทีเดียวเป็นเพราะเหตุอะไรครับขอความเมตตาด้วยครับมันไม่มีเป็นเพราะอะไรหรอกมันมันเป็นอย่างนั้นน่ะเหมือนกับมันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นไปตามภาวะตามเหตุการ์ต่างๆ ต, ตามเหตุตามปัจจัย เหมือนฝนตกมาถามว่าฝนมันตกเพราะอะไรเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยให้มันตกมันก็ตกวนะจิตมันจะรวมแบบไหนมันก็มีเหตุมีปัจจัยให้มันรวมเหตุปัจจัยก็มีหลายอย่างด้วยการเหตุการณ์ต่างๆที่ลุม่มเล้าจิตใจมากน้อยสติมีมากมีน้อยมีกำลังมากมีกำลังน้อยมันก็เลยทาให้การรวมของจิตใจแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามการพิจารณากายในทางธรรมะพิจารณาอย่างไรครับจะเอาตรงไหนส่วนไหนของร่างกายมาพิจารณาครับการพิจารณาร่างกายนี้มีให้พิจารณาอยู่สามมิติด้วยกันที่เราจะต้องเห็นมิติที่หนึ่งเรียกว่าอ น, นิจจังไม่เที่ยงร่างกายเที่ยง หรือไม่เที่ยงคําว่าเที่ยงก็คือเหมือนเดิมตลอดเวลาหรือเปล่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอยอันนี้ก็ต้องดูแล้วตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้มันเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าเหมือนเดิมมันยังต้องเป็นเด็กทารกอยู่ใช่ไหมเหมือนตอนที่ออกมาจากท้องแม่เมื่อไหร่ตอนนี้มันก็ยังต้องเป็นเหมือนตอนที่อยู่ในออกมาจากท้องแม่ตอนนั้นอยู่แต่อันนี้ออกมาแล้วนี่เป็นยังไงเป็นคนละคนไปแล้วใช่ไหมนนเราลองถ่ายรูปเราดูทุกสิบปีแล้วมาเปรียบเทียบดูนะ สิบปีที่แล้วกับสิบปีนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมแสดงว่าร่างกายไม่เที่ยงร่างกายมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วมันจะเปลี่ยนไปในทางแก่ทางเจ็บทางตายต่อไป น, นี่คือให้พิจารณาให้รู้คาว่าพิจารณานี้หมายถึงไม่ให้ลืมเรารู้กันแต่เรามักจะลืมกันพอเราไม่คิดถึงมันปับ๊บเราลืมเลยว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เพราะทำไมเราลืมเพราะว่าเราเวลาเห็นความแก่ขึ้นมาเราตกใจกันทันทีแสดงว่าเราลืมว่าเราต้องแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาตกใจขึ้นมาทันทีเลยเพอเจ็บท้องเจ็บศีรษะปวดศีรษะหน่อยตกใจกันขึ้นมาอ้อนลืมว่าเราจะต้องเจ็บ แต่ถ้าเราคิดอยู่ทุกวันถ้าเราไม่ลืมพอมันเจ็บแล้วอ๋อกูรู้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้จะไม่ตกใจนี่คือทำไมเราต้องพิจารณาเพราะว่าเราลืมกันเราลืมว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ขั้นแรกคือพิจารณานิจังของร่างกายเมื่อเห็นนิจังเราจะได้รู้ว่าการมีร่างกายนี้มันทุกข์นะอย่ามีดีกว่าใช่ไห ถ้าไม่มีร่างกายนิสายเนี่ยไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องอับนะไม่ต้องหายใจไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเนี่ยมีร่างกายแล้วเหนื่อยจะตายไปอ่มันทุกข์ทุกข์กับการเลี้ยงดูไม่พอยังต้องมาทุกข์กับภัยต่างๆอีกะภัยธรรมชาติภยัภยโรคภัยไข้เจ็บภัยจากคนนั่นคนนี้อมีแต่ภัยรอบด้านมีแต่ทุกข์แล้วยังต้องมาทุกข์กับความแก่ความตายอีก นี่คือการพิจารณาสองมิติมิติแรกคือพิจารณาความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมิติที่สองมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันถึงทุกข์เพราะเราอยากจะให้มันเที่ยมเรามีร่างกายแล้วเราอยากจะให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายแต่มันเป็นไปไม่ได้เราเลยทุกข์กันมิติที่สาคืพิจารณาว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราอนัตตา มันเป็นของเราตั้งแต่เมื่อไหร่เราคือใครเรายังไม่รู้เลยเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราเราเป็นเหมาร่างกายเป็นเราเพราะเราเห็นแต่ร่างกายเราไม่เคยเห็นตัวเราเราเลยต้องอาศัยคนตาดีที่เห็นตัวเรามาบอกว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆจิตใจนี้เหมือนกับคนขับรถคนขับรถขับรถนี่เป็นคนละคนกันใช่ไออ ใครเป็นคนสั่งให้รถวิ่งไปไหนมาไหนได้ก็คนขับเนี่ยร่างกายจะทำอะไรได้มันต้องมีคนมาสั่งก่อนคนสั่งนี้ก็คือใจผู้รู้ผู้คิดนี่แหละคือจิตใจผู้รูค้คิดนี้มาร่วมกับร่างกายตอนที่พ่อแม่สร้างร่างกายของเราขึ้นมาตอนที่เขาตั้งคันกันเนี่ยตอนนั้นดวงใจเราตอนนั้นเป็นดวงวิญญาณไม่มีร่างกายก็เลยมาเกาะติดกับร่างกายอันใหม่ พ อ, อพอร่างกายคลอดออกมาก็เลยไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราขึ้นมาเพราะเราไม่เห็นตัวเราเพราะจิตใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายอันนี้เราต้องอาศัยคาสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะรู้ได้ว่าร่างกายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของเราชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จะต้องจากเราไปนี่คือสามมิติที่เราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกาย แล้วยังมีมิติที่สี่มิติที่สี่ก็คือเรามักจะหลงรักร่างกายกันไม่ว่าของเราหรือของคนอื่นก็ตามเห็นร่างกายภายนอกก็จะเห็นว่าสวยงามดอ่อเ้าก็อยากจะได้เขามาเป็นสมบัติมาเป็นแฟน การไปมีแฟนมันมีสมบัติมันก็ทุกข์เพราะว่าเขาไม่แน่นอนอีกเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปกับวันไหนเขาเบื่อเราเขาก็ทิ้งเราได้จากเราไปได้หรือว่าถ้าเขามีธุระเขาอยู่กับเราไม่ได้ตลอดเวลาเขาต้องไปทำงานที่อื่นเราต้องอยู่คนเดียวเราก็จะเหงาจะว้าเหวขึ้นมาอีกถ้าเราไม่ต้องการเจอความทุกข์จากการพัดภาคจากแฟนเราก็ต้องอย่าไปมีแฟน วิีที่ไม่มีแฟนต้องดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายของแฟนอย่าไปดูส่วนที่สวยงามเพราะร่างกายมันมีทั้งส่วนที่สวยงามและไม่สวยงามส่วนที่ไม่สวยงามนี้ต้อง ต้องดูลึกเข้าไปถึงจะเห็นคือต้องดูภายใต้ผิวหนังถึงจะเห็นเพราะนอกจากข้างนอกแล้วยังมีอวัยวะต่างๆในร่างกายเยอะแยะที่เรามองไม่เห็นเช่นโครงกระดูกนี่เรามองไม่เห็นกันะฮเนี่ยมีได้พวกเรามีโครงกระดูกกันทุกคนนะแต่ไม่เคยเห็นกันเลยเลยไม่คิดว่ามีโครงกระดูกกันคิดว่าข้างในนี้มีแต่ของมีแต่มีแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่เคยคิดกันคิดว่ามีแต่แค่ที่เราเห็นจาก ภายนอกเท่านั้นเองแต่ลึกเข้าไปนี้มีต้องเยอะแยะที่เราไม่เห็นเราต้องไปศึกษาการต่างๆของร่างกายที่เรียกว่าการสามสิบสองข้างนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังใต้ผิวหนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกนมีปอดมีตับมีลำไส้มีหัวใจเนี่มีสมองมีน้ําต่างๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกัน ถ้าเราศึกษาดูอาการต่างๆเหล่านี้เราก็จะได้ไม่อยากจะได้มีแฟนกันเพราะว่าเราไม่อยากจะได้โครงกระดูกของเขาใช่ไหมเราไม่อยากจะได้ลําไส้ของเขาแต่เรามองไม่เห็นเราก็เลยก็เลยไม่คิดว่าเราได้ของพวกนี้มาด้วยของแถมมองไม่เห็นของแถมกันถ้าเรามองอาการต่างๆเหล่านี้ได้รับรองความอยากมีแฟนมันจะหายไปแล้วอยู่คนเดียวสบายกว่า พอเราไม่มีความอยากมีแฟนอยู่คนเดียวจะไม่เหงาความเหงามันเกิดจากความอยากแต่พอไม่มีความอยากเวลาอยู่คนเดียวมันจะไม่เหงามันกลับสบายไม่ต้องวุ่นวายกับใครไม่ต้องยุ่งกับใครไม่ต้องมีเรื่องกับใครไม่ต้องทะเลาะกับใครนี่คือการพิจารณาร่างกายมีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันเพราะว่าถ้าเราไม่พิจารณาเราจะหลง ถ้าเราจะไปยึดไปติดเราจะเสียใจเวลามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเนี่ยคำถามต่อไปจากคุณภัยทูนปฏิปทาเพื่อความมีโภกรัพ์มากคือการให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพานะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมไฟแก่สมณนะหรือพรามไม่ได้พูดถึงว่าต้องให้เงินเลยครับ 那他买的。 เ ข, เขาคงสงสัยอะครับ อ, อ๋อก็สั ม, มณะเขาไม่ให้เงินกันเห็นแต่ว่าสมัยนี้เราเห็นว่าบางทีมันไม่สะดวกที่จะให้ของเหล่านี้เลยให้เงินไปแทนให้เงินแล้วก็ไปซื้อของที่จําเป็นแต่ส ม, มณะบางคนรับแล้วไม่ได้ไปซื้อของที่จําเป็นไปซื้อของไม่จําเป็นกันมันก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวเกิดความเสียหายขึ้นมาแต่ถ้าเป็นสั ม, มณะแท้เขาก็จะเอาไปใช้แต่ของที่จําเป็นถ้ามีเหลือเขาก็จะเอาไปทําบุญทำ ประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามจะทำให้เห็นถูกได้อย่างไรเกี่ยวกับการเชื่อหมอดูถึงแม้เขาจะทำนายแม่นมากค่ะก็ะมันแม่นงั้นลองทดสอบว่ามันแม่นทุกครั้งหรือเปล่าถ้ามันแม่นจริงมันต้องให้เขา ให้เขาทานายทุกครั้งไปดูเอถ้ามันตรงเป๊ะทุกครั้งก็ให้ให้มันเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวไปสิอย่าให้มันพูดแบบครอบงำไปถ้าครอบงำไป ม, มันก็มันก็มีมันก็ต้องถูกอ่ะในตัวเราทุกคนมันมี ม, ม, มีดีมีชั่วพูดยังไงก็ถูกเพนา้นั่นแหละที่เราาเราเทศทุกวันเนี่ยคนก็มาบอกว่าตรงใจเขาทุกทีเลยเราก็ไม่รู้ใจเขาคิดยังไง แต่มันเป็นเท็แล้วมันไปนตรงใจกับเขา mm. เขาก็เลยบอกว่าเรารู้ใจเขามันไม่หรอกมันเป็นเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องพอดีเขาเดาถูกคำถามต่อไปจากคุณเคอยากให้พระอาจารย์ช่วยพิจารณาเรื่องการบวชเพื่อแก้กรรมด้วยเจ้าขา อ, อ๋อการบวชไม่ได้แก้กรรมหรอกการบวชเป็นการยุติการทํากรรมใหม่กรรมเก่านี้เราแก้ไม่ได้ กรรมใดที่เราทำไว้แล้วเราต้องรับผลต่อไปเวลาที่มันส่งผลและการที่มาบวชนี้เพื่อยุติการกระทำกรรมยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอันนี้บวชจริงนะไม่ใช่บวชชั่วคราวอย่างที่เขาบวชแก้กรรมอันนี้เขาบวชแก้ชั่วคราวสามวันเจ็ดวันอันนี้แก้ไม่ได้หรอกกรรมที่ทำไว้แล้วถ้าแก้ได้ก็ดีไปข้าคนแล้วก็มามาบวชถ้าสามวันแล้วก็แก้ได้มันแก้ไม่ได้ คำถามต่อไปจากคุณลิมจะปลอบใจและให้กำลังใจเพื่อนอย่างไรดีเจ้าคะทุกวันนี้เขาบ่นว่าเบื่อชีวิตมากค้าขายไม่ค่อยดีเราเองก็แย่เหมือนกันเจ้าคะ่ะถ้าไม่รู้ก็ไม่นั่งบอกเขาคำถามต่อไปจากคุณสัญญาคนที่ต้องพิจารณาความตายเป็นอารมณ์นี่เป็นขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญาครับ ถ้ายังเป็นสมาธิขอทราบวิธีภาวนาครับ อ, อารมณ์บางอย่างมันเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นได้ทั้งสมาธิเป็นได้ทั้งปัญญาเขาเรียกว่ายิงนกอสองตัวด้วยกระสุนลกเดียวการคิดถึงความตายก็จะทําให้จิตเราหายโลคได้จนที่เราฟุงา้งซ่านอยากได้นูน่นอยากได้นี่พอคิดว่าถ้าพรุ่งนี้ต้องตายนี้ความอยากหายไปหมดเลยใจก็สงบจากความโลภ ก, ก็เป็นสมาธิ แล้วก็เป็นปัญญาเพราะรู้ว่าถ้าเราต้องตายเราเตรียมตัวตายไว้ด้านหน้าเวลาจะตายเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้ก็จะเป็นปัญญาคําถามต่อไปจากคุณไพฑูรย์ลักษณะชนที่เลื่อมใสและเป็นผู้มีความเคารพแรงกล้าในพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นจะไม่พึ่งสิ่งอื่นเช่นผีสารพระภูมิเทวดาหมอดูใช่ไหมครับะจะเชื่อฟังคําสอนอย่างเดียว ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนก็คือให้เชื่อกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อลบกรรมทำแล้วล บ, บล้างไม่ได้ถ้าไม่อยากจะมีกรรมผลของกรรมก็อย่าไปทำกรรมอย่าไปทำบาปคำถามต่อไปจากคุณแจ๊กการทำการุญยะคาต ในบางประเทศเป็นเรื่องถูกกฎหมายกรณีคนไข้ทรมานและเป็นโรคร้ายอย่างไงก็ต้องตายการให้หมอฉีดยาให้จากไปก่อนอย่างสงบถือว่าเป็นบาปกับหมอหรือกับตัวผู้ป่วยหรือกับลูกหรือญาติผู้ยินยอมครับในทางศาสนาถือว่าบาปพอมีเจตนามีความต้องการที่จะฆ่าไม่ว่าจะเป็นฆ่าร่างกายของเราหรือฆ่าร่างกายของผู้อื่นนี้ เป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นกิเลส ต, ตัณหาเป็นภาวะวิป็นวิภาวะตัณหาเป็นตัวที่จะทาให้จิตทุกข์จิตเครียดไม่ใช่ไปทำให้จิตตายอย่างสงบคนที่มีความเครียดนี่มีความอยากนี่ตายอย่างทุกข์อย่างทรมานวิธีที่จะอยู่หรือตายอย่างไม่ทุกข์ไม่ทรมานต้องอยู่แบบไม่อยากตายแบบไม่อยากวิธีจะทำให้ใจไม่อยากก็ต้องทำใจให้สงบ พุโทโธพุธโทโธไปถ้ายังไม่ตายก็พุโทโธไปได้เรื่อยก็ใจจะก็จะไม่ทรมานที่ทรมานเพราะอยากอยู่อยากหายพอไม่หายอยู่ไม่ก็เลยอยากตายขึ้นมามันเป็นกิเลสทั้งสองทางอยากอยู่ก็เป็นกิเลสอยากตายก็เป็นกิเลสมันเป็นตัวที่ทําให้ใจทรมาน งัอย่าไปคิดว่าการที่ไปช่วยทำให้เขาตายนี่จะทำให้เขาสงบไม่สงบใจเ้าไม่มีวันสงบได้พอจะตายยิ่งทุกข์ใหญ่พอรู้ว่าฉีดยาเข้าไปแล้วทีนี้เริ่มทุกข์ทีนี้แก้ไม่ได้แล้วสิทีนี้เกิดเปลี่ยนใจไม่อยากตายขึ้นมาทีนี้ก็ลำบากงั้นไม่ใช่เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหา ความทุกข์ทรมานใจต้องแก้ด้วยการทําใจให้สงบต้องสอนให้คนฝึกสติดูลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธไปปล่อยวางร่างกายไปมันจะหายไม่หายมันจะอยู่ไม่อยู่ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานยังไม่ตายก็ไม่ทุกข์ตายก็ไม่ทุกข์ถ้าใจสงบเนะี่ยยังต้องมาแก้ด้วยการทําใจให้สงบไม่ใช่ไปแก้ด้วยการไปฆ่าร่างกาย คำถามต่อไปจากคุณยารอยต่อของอุปจาระสมาธิกับอัปปนาสมาธิต่างกันอย่างไรครับออการที่จะเข้าสู่อุปจาระได้ต้องผ่านอัปปนาสมาธิก่อนเวลาจิตนวมสงบแล้วนิ่งไม่คิดปรุงแต่งปานูเบคาแต่นิ่งไม่นานก็ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆต่อไปทางโลกทิพย์ ออกไปรับรู้เรื่องกายทิพติดต่อกับเทวดาติดต่อกับผู้ตายได้ดวงวิญญาณต่างๆได้อันนี้เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิแต่ต้องผ่านอัปปนาสมาธิก่อนจิตต้องรวมสงบก่อนอาจจะอาจจะไม่ใช่เป็นอัปปนาผ่านคณิกะก่อนจิตสงบรวมเป็นหนึ่งแล้วก็ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเลยถ้าอยู่ในอัปปนาก็จะไม่ออกไปจะ จะสงบนิ่งเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเมื่อโดนภรรยาซึ่งเราหวังให้เขาชมแต่ในทางปฏิบัติมักโดนว่ากระทบเสมอ <c oughs> เห็นความกโกรธนะครับแต่ระงับไม่ค่อยทันขอวิธีเตือนสติตนเองครับก็เปลี่ยนใจแล้วใหม่อย่าพยายามให้เขาชมอยากให้เขาด่าสิน้่นน่าจะมีความสุข พอวันไหนได้ฟังคำด่าแล้วโอ้ย oh, ดีใจเพราะปัญหาอยู่ที่ความอยากของเรา <laughs> อยากผิดเรื่องอยากไปได้เรื่องในที่เราไม่อยากได้มันก็เลยทุกข์นี่ก็หัดไปอยากได้ในเรื่องที่เราได้สิแล้วเราจะได้สุขใช่ไม <laughs> เวลาเราได้แล้วเราดีใจไหมถ้าเราอยากได้ดีใจใช่ไหมอย <laughs> งนั้นก็ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องได้รับการด่าเราก็อยากให้เ้าด่าไปสิ พอใหญ่เขาด่ า, ดาพอวัานไหนเ็ดาด่าเราก็ดีใจแฮปปี้วันนี้สมหวัง <laughs> คำถามต่อไปจากคุณพิไลพรเมื่อใจเราคิดเราหยุดคิดด้วยเอาพุโทโธพุโทโธดับแล้วใจเราก็เฉยเฉยให้อยู่กับความเฉยเฉยคุมจิตไม่ให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องแต่ควรจะทำ ถ้าอยากจะให้มันนิ่งนานๆต้องนั่งเฉยๆแต่ถ้าเรายังเคลื่อนไหวยอยู่เดี๋ยวมันก็เราต้องคิดเรื่องนั้นอยู่เลยเพอหยุดคิดได้ปับ๊บเดี๋ยวมันก็จะคิดใหม่มันก็จะสงบไม่ได้นานถ้าอยากจะให้มันนิ่งให้มันสงบนานๆเราต้องนั่งสมาธิกันคำถามต่อไปจากคุณวิชารอาโหสิกรรมให้แล้วกรรมจะหมดไหมครับไม่หมดการอาโหสิกรรมนี้เป็นการขอยกโทษ คือจะไม่ให้เขามาลงโทษเราแต่บาปกรรมที่เราทามันมีมันมีกฎแห่งกรรมที่จะมามาลงโทษเราอีกทีหนึ่งกฎแห่งกรรมนี้ขออโหสิไม่ได้แต่ขออโหสิกับคนที่เราไปทำกรรมได้แต่ก็จะอยู่ที่เขาอีกว่าเขาจะอโหสิหรือไม่บางคนเขาก็ไม่ยอมอโหสิเขาบอกคุณเป็นหนี้ฉันคุณก็ต้องจ่ายฉันลหละจะให้ฉันอโหสิได้ยังไง อันนี้แล้วแต่ถ้าไปเจอคนใจดีเมตตาห้าสงสารมึงไม่มีงินจริงๆไม่มีเงินจ่ายกูก็โอ้สิไม่ยกยกนี่ให้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันแต่กรรมนี้มันไม่มันไม่หมดถ้าเราไปทำกรรมไว้เดี๋ยวชาติหน้าเราจะต้องไปรับผลของกรรมต่อไป คำถา ม, ถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนูมักเกิดความไม่พอใจเวลามีเพื่อนร่วมงานที่มีความเห็นต่างจากตนเองโดยจะไม่พอใจมากหากเพื่อนร่วมงานคนนั้นเป็นรุ่นน้องและหนูจะรู้สึกไม่สบายใจและทุกข์ใจเวลาเกิดอารมณ์แบบนี้หนูสามารถแก้ไขเพื่อลดความทุกข์แบบนี้ได้โดยวิธีไหนเจ้าคะ หนูก็ต้องทำใจให้เป็นสันโดษยินดีตามมีตามเกิด อ, อย่าไปยึดมัน่นถือมั่นกับความคิดความเห็นของเราอย่างเดียวเราต้องยอมเคารพความคิดความเห็นของผู้อื่นผู้อื่นเขาก็มีความคิดความเห็นเขาก็มีเขาก็ต้องการแสดงความคิดความเห็นของเขาไปเราก็ปล่อยเขาแสดงไปก็เท่านั้นเองเราอย่าไปยึดมั่นว่าความคิดความเห็นของเรานี้ถูกต้อง แล้วใครคิดผิดกับจากเรานี้ไม่ถูกต้องพอเราไปได้ยินความคิดความเห็นที่เราไม่ไม่อยากได้ยินมันก็ทำให้เราทุกข์ใจเเราต้องสอนใจว่าเราไปห้ามความคิดความเห็นของผู้อื่นไม่ได้ผู้อื่นเขาจะมีความคิดความเห็นอย่างไรเราก็ต้องนับฟังไปแต่ไม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเชื่อตามที่เขาคิดเขาเห็นเพียงแต่เราต้องอย่าไปปฏิเสธ ถ้าเขาจะแสะดงความคิดเห็นก็ปล่อยเขาคิดไปถ้าไม่อยากจะฟังก็เดินหนีไปก็แล้วกันหมดหรือยังสองคำถามอ๋อสองคำถามอันนี้คำถามจากคุณชานผมไปสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์หรือวัดปฏิบัติทีไรกายจะนิ่งจิตจะนิ่งโดยอัตโนมัติไม่ทราบว่าจิตผมเข้าสมาธิหรือเปล่าครับ ก็สงบลงแต่ยังไม่เข้าสมาธิต้องเข้าสมาธินี่มันต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วไม่รับรู้อะไรผ่านทางร่างกายเลยถึงจะเรียกว่าเข้าสมาธิได้อย่างเต็มที่คําถามจากคุณไพฑูรย์ขอทราบวิธีการเจริญเมตตาและการเจริญพรมวิหารที่ถูกต้องครับเพราะอ น, นิสงฆ์มากกว่าการให้ทานมากครับ อ, อ๋การแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกัน ไม่ใช่แผ่ตอนที่เรานั่งสวดมนต์ตอนที่นั่งสวดมนต์ไม่ได้แผ่เป็นการสวดเฉยๆเช่นเวลาเราไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สวดบทแผ่เมตตานี้เรายังไม่ได้แผ่เราต้องแผ่ตอนที่เราพบหน้ากันเวลาพบปะกันก็ยิ้มให้กันอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาให้เขามีความสุข เวลาเขาเห็นเรายิ้มนี่เขาก็มีความสุขละหรือเวลาเขาทำอะไรให้เราไม่พอใจเราก็อยากไปถือโทษเขาให้อภัยเขาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาต้องแผ่แบบสดๆร้อนๆต้องตอนที่เจอหน้ากันพบปะกันไม่ใช่พอเจอหน้ากันก็ด่าใส่กันเวลาอยู่คนเดียวก็สวดแผ่เมตตาให้กับเขา